เรื่องอภัยราชกุมารพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารลอภัยราชกุมารได้ยินว่าอภัยราชกุมารทรงปราบรามาศึกสําเร็จพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาทรงพอพระไทยแล้วพระราชทานหญิงงามฉลาดการฟอร้อนและขับให้ครองราชเจ็ดวันอภัยราชกุมาร ไม่เสด็จออกนอกราชมนเรีเลยสวยสิริแห่งพระราชาสิ้นเจ็ดวันไปสู่ท่าแม่น้ำในวันที่8ทรงสงสนานคืออาบน้ำแล้วเสด็จเข้าไปสู่อุทยานทอดพระเนตรการฟอนการขับของหญิงนั้นขณะนั้นเองนางฟอนได้ทำกาละตายด้วยอำนาจแห่งกองลมกล้าดุดสตราพระกุมารเศร้าโศกจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทรงตรัสปลอบว่ากุมารก็ประมาณแห่งน้าตาทั้งหลายที่ร้องไห้ยอยู่ในการที่หญิงคนรักตายนี้ตายแล้วอย่างนี้ยอมเป็นไปนแล้วในสงสารคือสังสารวัตรซึ่งไม่มีที่สุดอันใครๆรู้ไม่ได้เธออย่าโศกเลยความโศกเป็นฐานะเป็นที่จมลงของคนผ่านทั้งหลายแล้วตรัสพระคาถาว่า ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ในเวลาจบเทศนาพระราชกุมาตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ชนผู้มาประชุมกันดังนี้แหละ